เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีตามมาหลังดูดวงสวัสดีครับผมชื่อเต้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของผมเองเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่บ้านของเราได้ซื้อบ้านหลังใหม่ย่านอุดมสุขซึ่งบ้านหลังนี้เป็นเหมือนทาวน์โฮมครับ ตอนนั้นเราย้ายกันเข้าไปทั้งครอบครัวมีพ่อแม่พี่ชายและผมครับตอนนั้นเราย้ายกันเข้ามาในขณะที่ทุกคนต่างวุ่นวายยังไม่ค่อยมีอะไรลงตัวแต่ที่ต้องรีบย้ายเพราะว่าแม่ของผมไปดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันดีเลิก ม, มงคล ในรีบย้ายเข้าบ้านช่วงเวลานี้ย้ายเข้าพร้อมกับนำพระประธานเข้าบ้านวันและเวลาเดียวกันนั้นเลยในวันที่ย้ายแม่ของผมก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างโดยทุกคนต้องเดินเข้าบ้านทีละลำดับด้วยนะครับซึ่งสำหรับตัวผมแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเพราะผมก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วด้วย พอเราทุกคนเข้ามาในตัวบ้านเสร็จแม่ก็ทำโน่นนี่นั่นตามที่หมอดูแนะนำแล้วก็ให้เราอยู่ในบ้านกันสักพักหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายผมก็ไปเรียนพี่ชายก็ไปรับแฟนที่สนามบินส่วนพ่อกับแม่ก็ไปดูงานกับลูกค้าต้องบอกก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ แม่ของผมเป็นคนที่ต้องดูเรือกทุกครั้งแม้กระทั่งวันและเวลาคลอดหลานที่เป็นลูกของพี่ชายผมและใครที่มาบอกแม่ว่าหมอดูคนนี้แม่นไม่ว่าจะไกลหรือใกล้จะถูกแพงแค่ไหนแม่ของผมก็จะไปทุกที่เลยครับที่สำคัญแม่ของผมเป็นเหมือนคนที่ชอบลองของด้วยว่าที่นี่ของจริงหรือของปลอม เพราะถ้าปลอมแม่ผมก็จะด่ากระเจิงที่ผมสามารถบอกได้ละเอียดขนาดนี้เพราะทุกครั้งที่แม่ไปดูดวงก็มักจะต้องมีผมไปด้วยทุกครั้งเพราะผมต้องเป็นคนขับรถพาแม่ไปนั่นเองแต่ก็อยากบอกทุกคนนะครับว่าหมอดูแม่นแม่นเก่งเก่งมีเยอะจริงๆโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดบางที่แม่นถึงขนาดบอกได้ว่า ผมมีปานแดงที่ก้นซ้ายผมก็แอบนึกในใจว่ามันแอบไปดูไปรู้ไปเห็นของผมได้อย่างไงแล้วเรื่องราวความสยองก็เกิดขึ้นครับเมื่อมีคนมาแนะนำแม่ผมว่ามีหมอดูคนหนึ่งเก่งมากเป็นหมอสายขเขมรที่สำคัญคาครูก็แล้วแต่ศรัทธาพอแม่ของผมรู้เท่านั้นแหละครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องโดดเรียนตามระเบียบ เพื่อไปดูดวงเป็นเพื่อนแม่หมอดูคนนี้อยู่แถวนครนายกขับไปไกลมากๆแถมทางเข้าบ้านหมอดูก็เป็นถนนเลนเดียวรถสวนกันไม่ได้หน้าซอยจะมีคนของหมอดูคอยวอร์หากันเรื่องรถเข้าออกวันนั้นที่ผมไปแม่ผมกับผมโดนหมอดูไล่กลับเพราะเขาบอกว่าถ้ามึงจะมาลองของ กูไม่ดูให้หรอกผมนี่งงไปเลยเพราะผมไม่ได้คิดอะไรแต่แม่ของผมกลับหน้าเสียแทนและในที่สุดผมกับแม่ก็ต้องกลับกันมามันเสียเที่ยวจริงๆครับอีกไม่กี่วันต่อมาแม่บอกให้ผมไปเป็นเพื่อนอีกทีเขาโทรนัดกับทางตำหนักแล้วแต่รอบนี้เราไปกลับช่วงเย็นๆเลยครับเพราะแม่บอกว่า เขาให้เราไปดูช่วงคำคในขณะที่ผมกับแม่กำลังขับรถเข้าไปนั้นข้างทางมันดูวังเวงแปลกๆมันเงียบและไม่มีไฟเลยสักดวงจากที่ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวเพราะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ผมก็รู้สึกวันๆเหมือนกันพอเราไปถึงตำหนักแม่กับผมก็เดินเข้าไปยังตำหนัก ในนั้นมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดโดยเฉพาะกุมารมีเป็นร้อยๆตัวเลยแล้วอีกอย่างที่สะดุดตาคือมีเหมือนแท่นอะไรไม่รู้เป็นทรงกระบอกหัวมนๆสีดำแท่งใหญ่มากและเต็มไปด้วยพวงมาลัยเมื่อเริ่มดูดวงหมอดูคนนี้ก็พูดว่าบ้านที่มึงย้ายกันมานะ่ะมีผีนะเป็นคนจรจัด มาตายในบ้านคนหนึ่งแล้วก็เป็นผีผู้หญิงที่ตายตอนก่อสร้างบ้านอีกคนหนึ่งแวบแรกที่ผมรู้สึกคือผมกับแม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขารู้ได้อย่างไรนี่ต่อด้วยเรื่องอื่นอีกมากมายที่หมอดูพูดออกมาโดยที่แม่กับผมไม่ได้ถามอะไรเลยแล้วเขาก็จบด้วยคำพูดที่ว่ากูแม่นไหมละ่ะ แม่ผมก็ก้มหน้าลงแล้วพูดว่าแม่นจริงๆค่ะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขามีเรื่องจะคุยกับแม่ผมตามลำพังให้ผมออกไปข้างนอกก่อนคราวนี้แหละครับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้แต่ไป น, นั่งอยู่ในรถเป็นชั่วโมงแล้วสักพักก็เห็นแม่เดินกลับมาตาแดงๆเหมือนร้องไห้ ผมก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแม่แม่ก็ตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรระหว่างทางกลับมาแม่ของผมก็เหมือนจะพูดอะไรเงึมงำมาตลอดทางผมได้ยินแต่ว่าเลี้ยวซ้ายแล้วนะข้ามสะพานเล็กๆนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรได้แต่ขับรถรีบกลับบ้านเพราะเริ่มง่วงแล้วแต่คืนนั้น หลังจากที่ไปดูดวงมาผมก็เข้านอนตามปกติผมฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ลอยไปลอยมาผมก็สะดุ้งตื่นแล้วก็คิดแค่ว่าคงฝันไปแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนต่อหลังจากนั้นมาแม่ของผมก็ไม่ไปดูดวงที่ไหนอีกเลย แล้วก็บอกผมเสมอว่าเราได้ของดีมาแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วซึ่งตอนนั้นกิจการของครอบครัวผมก็ดีขึ้นจริงๆดีจนน่าตกใจจนเดือนนั้นแม่ออกรถใหม่ให้ผมเลยทีเดียวหลังจากนั้นอีกสามเดือนมีอยู่คืนหนึ่งผมกลับมาบ้านดึกโดยคืนนั้นมีแม่อยู่ที่บ้านคนเดียว เพราะตอนนั้นพ่อของผมต้องไปต่างประเทศสองเดือนส่วนพี่ชายก็ขึ้นไปอยู่กับแฟนที่เชียงรายเพราะหลานเพิ่งคลอดแฟนพี่ชายเลยอยากขึ้นไปอยู่ที่บ้านและก็ต้องสงสัยว่าทำไมบ้านยังเปิดไฟอยู่เพราะแม่เป็นคนที่ค่อนข้างนอนเร็วมากประมาณสองทุ่มกว่ า, วาแม่ก็จะขึ้นนอนแล้วพอผมเข้ามาในบ้าน สิ่งที่เห็นตรงหน้าก็คือแม่ของผมเอามีดกรีดแขนตัวเองเต็มไปหมดเลยแล้วก็ร้องไห้พอเห็นผมแม่ก็ได้แต่ร้องแล้วบอกว่าช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยอีผีมันจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยผมเห็นแบบนั้นก็แทบช็อกเพราะไม่คิดว่าแม่ผมจะทำแบบนี้ผมรีบวิ่งเข้าไปหาแม่แล้วก็พยายามจะดึงมีดออกจากมือของแม่ แม่ผมก็หันมามองผมตาขวางแล้วก็หัวเราะพร้อมกับพูดเป็นภาษาอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็หัวเราะต่อผมกับแม่ก็ดึงมีดกันไปมาแต่ตอนนั้นแม่ผมแรงเยอะมากแล้วสุดท้ายแม่ก็ดึงมีดกลับไปได้แล้วแม่ก็เอามีดแทงตัวเองต่อหน้าต่อตาผมผมได้แต่แหกปาก ร้องเรียกให้คนช่วยแต่ว่าตอนนั้นบ้านที่ผมย้ายเข้าไปอยู่ยังไม่ค่อยมีใครย้ายมาอยู่เพราะยังเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งสร้างใหม่และมีคนย้ายเข้าๆออกๆบ่อยมากในที่สุดแม่ของผมก็จากไปแม่ผมหยุดหายใจในขณะที่ผมกําลังพาแม่ไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเลือดไหลมากเกินไป แล้วมีดที่แทงเข้าไปนั้นก็ไปโดนปอดหลังจากเกิดเรื่องพอกระ บ, บินกลับมาทันทีและพี่ชายก็บินกลับมาเช่นกันเพื่อที่จะจัดงานศพให้กับแม่หลังจากจบงานของแม่ผมผมกับพี่ชายก็บุกไปที่ตำหนักของหมอดูก็ที่ที่ผมไปกับแม่เป็นที่สุดท้ายนั่นแหละครับแต่แล้วสิ่งที่ผมเจอก็คือบ้านเก่า ที่มีคนอยู่เพียงคนเดียวผมตรงเข้าไปเพื่อที่จะเอาเรื่องหมอดูคนนั้นว่าทําอะไรกับแม่ของผมเพราะหลังจากมาดูดวงที่นี่แม่ผมก็ไม่ได้ไปที่ไหนอีกแล้วก็บอกว่าได้ของดีมาหมอดูเอาอะไรให้แม่ผมแต่แล้วหมอดูที่ผมเจอวันนั้นกลับเหลือเพียงรูปถ่ายที่ติดอยู่บนกําแพง เขาเพิ่งเสียไปได้ไม่กี่อาทิตย์โดยคนที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นซึ่งเป็นแม่ของหมอดูได้บอกว่าลูกของเขาโดนคนหวังร้ายเอาผ้าถุงที่เปื้อนประจาเดือนมาคลุมหัวโดยที่พวกมันเข้ามาทำเป็นเหมือนจะมาดูดวงแล้วหลังจากนั้นในตอนกลางคืนลูกชายของเขาก็มีอาการเดียวกับที่แม่ของผมเป็นแม่ของหมอดูบอกว่า ลูกของเขาโดนอีผีหงพรายที่เลี้ยงมันไว้ช่วยชีวิตคนมาเอาชีวิตผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าผีหงพรายมันคืออะไรแต่ทำไมมันต้องมาเอาแม่ของผมไปด้วยแม่ของหมอดูก็บอกว่าผีพวกนี้ช่วยเราได้ดีหากเราคุมมันได้หรือมีคนที่มีคาถาคุมมันมันก็จะเชื่อฟังและช่วยเหลือเราทุกอย่าง แต่ลูกชายของเขาก็ไม่ได้จะให้หงพรายกับใครง่ายๆคือใครที่จะเอาหงพราไไปนั้นจะต้องรู้ถึงคุณและโทษก่อนที่จะเอามันไปอยู่แล้วและแม่ของหนุ่มก็คงต้องรู้แล้วละ่ะถึงกล้าเอามันไปแม่ของหมอดูก็บอกให้ผมกลับไปดูที่บ้านว่าแถวๆหน้าบ้านหรือประตูรัว้วมีขวดแก้วเล็กๆข้างในมีเส้นผมเศษดิน และน้ำมันสีเหลืองๆ ห, หรือเปล่าถ้ามีก็ให้เอามันไปเผาที่วัดซะเพราะไม่งั้นมันจะมาเอาคนที่เหลือไปด้วยผมกับพี่ชายก็ได้แต่ช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนเราสองคนไม่กล้าเอาเรื่องกับแม่ของเขาเพราะในขณะที่เขาพูดเขาก็น้ำตาคลอๆ อ, อยู่ตลอดก่อนกลับเขาบอกว่าหนุ่มไม่ใช่แค่ครอบครัวแรกที่มาหาเขา เขาพูดเหมือนเสียใจพร้อมกับบอกว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะต้องอยู่รับกรรมในสิ่งที่ลูกของเขาเคยช่วยคนอื่นในทางที่ผิดและสิ่งที่เขากำลังรับกรรมอยู่ก็คือการตายทั้งเป็นทั้งเสียลูกและยังต้องมารับหน้าแทนลูกที่ตายไปอีกผมกับพี่ชายจึงรีบกลับมาบ้าน และหาดูตามที่แม่ของหมอดูบอกจนในที่สุดผมก็พบขวดที่มีลักษณะเช่นนั้นจริงๆผมกับพี่ชายก็ไม่รีรอรีบเอาไปที่วัดและจัดการอย่างที่แม่ของหมอดูบอกทันทีปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้ขายไปแล้วครับเพราะหลังจากที่ผมไปจัดการเรื่องโหงพลายคนในบ้านก็จะได้ยินเสียงผู้หญิง